รูเพราะเขาคือครูของเธอโดยท่านววชุราเมธีบรรยายนกะวัดฟั่งมินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่3 ม, มีนาคมพุทธศักราช2557ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบัดนะนี้ ความนอบนอ้อมจงมีแด่คุณของร า, าราัตนัตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองที่เคารพอย่างสูงขอากาบพระมหาเถรานุเถระทุก ร, รูปและขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธารุชนทุกท่านทุกคน วันนี้เรามารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อร่วมงานบนที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างมหาวิหารหลังใหม่มหาวิหารฐานนั้นถือกันว่าเป็นฐานที่มีอ น, นิสงส์มากเพราะเมื่อสร้างขึ้นมาหลังหนึ่งแล้วจะประดิษฐานอยู่ ตราบนานเท่านานและทุกครั้งที่มีพระสงฆ์องค์ชา้าหรือพุทธศาสนิกชนมาประพฤติปฏิบัติธรรมนมหาวิหาราแห่งนี้ผู้สร้างผู้อุปถรรัมไม่ว่าจะอยู่สถานริมันไหนก็ตามก็จะเป็นผู้ที่ได้รับบุญได้รับกุศลอยู่ตลอดเวลา บุญคุลของบรรดาท่านสาธุชนซึ่งร่วมลงหลักปักฐานในวิหารฐานนั้นจะงอก ง, งามทั้งคืนทั้งวันนี่กล่าวตามเนยะแห่งพระพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราสร้างหนึ่งแต่ได้บุญนับร้อยนับพัน เพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามหาวิหารนั้นเป็นสถานที่ที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของขุศรกิจกรรมบรรดาเมธทั้งหมดณอารามแห่งหนึ่งหนึ่ง้าเช้าเราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญไปแล้วภาคบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการ ที่จะให้ผู้ดำเนินศาสนายอมได้สร้างกุศลบุญคือความสุขบุญคือความอิ่มอกอิ่มใจบุญคือความสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจทุกครั้งเมื่อระนึกนึกถึงส่วนกุศลนั้นหมายถึงความรู้ความเข้าใจความเฉลียวฉลาดเป็นเรื่องของสติปัญญาเราได้รับบุญไปแล้ว จากนี้เป็นต้นไปเราจะมาพัฒนากุศลเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้สังคมไทยของเรานั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดเชิงชัางภาวะแตกสามขี ลุกลามแพร่หลายไปทั่วทุกหัวระแหงจนกระทั่งจวนเจียนจะเกิดสงครามกลางเมืองก็หลายครั้งฉะนั้นถ้ากลางสถานการณ์อย่างนี้อุสนบุญยญาราศีที่เราควรจะสร้างสรรพัฒนาให้เกิดขึ้นไม่มีอะไรจะสำคัญยิ่งไปกว่าการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพในเรือนใจของเราทุกคน แล ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่ว่านี้ก็คือมเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาที่ใดก็ตามที่มีมเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาเจริญงด ง, งามแตกหน่อต่อใบพลิบานขึ้นมาณที่นั้นจะเป็นรา ม, มณยาสถานที่มีแต่ความร่มเย็นและเป็นสุขนักปราบท่านได้เขียนถึงอา น, นิสงส์ของเมตตาเอาไว้ว่า โลโกปัตยธรมพิการเมตตาแปลว่าเมตตาธรรมข้าจุนโลกในเวลานี้สังคมไทยของเรากำลังต้องการน้ำคือเมตตามาสดสง่งลงไปในจิตใจของพี่น้องเราชาวไทยให้มีความสดชื่นดุนเย็นสังคมไทยของเรากำลังต้องการการบ่มเพา ะ, มะเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาให้อย่างรากฝังลึก จนแตกหน่อต่อไปกลายเป็นต้นไม้ที่ชื่อเมตตาที่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมสังคมไทยทั้งสังคมถ้าเราไม่เติมเมตตาลงไปในจิตในใจของพี่น้องเราชาวไทยวันหนึ่งทั้งๆ ท, ที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่เราอาจจะถูกยุให้รำุกตามให้รัว่วลุกขึ้นมาล้างผลาญหาชีวิตคนไทยด้วยกันเองก็เป็นได้ ทีนี้ก่อนที่เราจะปลูกฝังความเมตตาลงไปในเรือนจิตเรือนใจของเราเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าโทษของการขาดเมตตา น, นั้นเป็นอย่างไรอนุมภาพมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้พวกเราฟังเพื่อเราท่านหลายจะได้พิจารณาว่าสังคมหนึ่งหนึ่งประเทศหนึ่งหนึ่งถ้าขาดเมตตาซึ่งกันและกันแ ล, แล้ว สถานการณ์จะเลวร้ายถึงเพียงไหนในป่าแห่งหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้ชื่อไม้สครอตขนาดที่หมีตัวนี้กำลังหลับปุ้ยฝันดีอยู่นั่นเองทานใดนั้นก็มีลมพัดมาวุบหนึ่ง พอลมพัดมาแล้วกิ่งไม้แห้งกิงหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนก็หัก ด, ดังต๊อกแล้วก็หล่นลงมาปูหัวหมีตัวนั้นพอดีเจ้าหมีตัวนั้นตกใจสะดุ้งตื่นทันทีที่สะดุ้งตื่นมันก็หันรีหันขวางมองไปรอบเนื้อรอบตัวของมันเพื่อจัเจ้องมองหาว่า ใครกันนะที่หักกิ่งไม้โยนใส่หัวมันมองไปมองมามองมามองไปไม่เห็นใครสักคนที่แกล้งมันจึงมองขึ้นไปข้างบนต้นไม้ก็ไม่เห็นคนไม่เห็นใครจึงมองทะลุเข้าไปในต้นไม้แล้วมันก็คิดเองเออเองพูดเองว่าสงสัยคนที่แกล้งมัน ต้องเป็นลุกเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้อย่างแน่นอนพอคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็โกลอของมันเองคิดเองเออเองพูดเองเชื่อเองว่ากิ่งไม้ที่ลนใส่หัวนี่ขนงานของลุกเทวดาอย่างแน่นอนและจากเหตุเล็กๆซึ่งเป็นเรื่องกิ่งไม้กิ่งเดียวคล้ายๆน้ำบึงเดียว เจ้าหมีตัวนี้ก็ปรุงแต่งก็ใหญ่โต ว, ว่าสงสัิรุกกะเทวดาใจะอิจฉาตาร้อนในความสุขจากการยิตราของมันและดังนั้นเจ้ารุกกะเทวดาไม่อยากให้เจ้าหมีตัวนี้สุขเกินนะ่จึงหักกิ่งไม้โยนใส่หัวมันและเจ้าหมีก็ปรุงต่อไปด้วยความอาฆาตปะยาบวานว่าเอาเถอะ วันนี้รุกเทวาดาหักกิ่งไม้โยนใส่หัวมันแต่วันข้างหน้ามันจะหาทางเอาคืนให้ได้มันพระไม่ได้มีหนเดียวแล้วเจ้าหมีตัวนี้ก็ผูกใจจับอยู่มาอีกหนึ่งอาทิตย์ในขณะที่เจ้าหมีตัวนี้กำลังเดินออกไปหาอาหารอยู่ในราวฝ่าเดินตุ้มตักตุ้มตุ้ยไป ท่าทางหนึ่งก็ไปเจอช่างไม้กลุ่มใหญ่ยกคณะกันเข้ามาในป่าเจ้าหมีก็ถามว่าพ้มามหาจ้มาเริญทั้งหลายจะยกคณะกันไปไหนช่างไม้ก็บอกว่าอ๋อที่พวกเรายกคณะกันเข้ามาในป่าเนี่ยนะพวกเราต้องการจะแหว่งหาไม้กันไม้จริงไม้เนื้อแข็ง สักสองสามต้นหมีก็ถามจะเอาไม้เนื้อแข็งไปทําไมล่ะพ่อพวกช่างไม้ก็ตอบว่าพวกเรากำลังทำกลงลอ้อเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างไม้เราต้องการไม้เนื้อแข็งจานวนหนึ่งเอาไปทํโกลงลอ้อหมีได้ยินอย่างนั้นยิน้มคิดขึ้นมาได้ว่าเอาละในเวลาที่ กรรนั้นจะตามสนองลุ ก, กะเทวดาสักทีหมีก็เลยพลองออกไปว่าช่างไม้ทั้งหลายเหยเรื่องป่าเรื่องไม้ไม่มีใครรู้ดีกว่าข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในป่านี้มานานแสนนานไม้เนื้อแข็งที่ท่านอยากได้นะท่านไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นหรอกข้าพเจ้าพอจะรู้ว่ามีอยู่ตรงไหน เดินตามพระพเจ้าออมาพูดเสร็จนีก็ยิ้มอยู่ในใจเดินตุ้มตะตุ้มตุมนำพวกช่างไม้ยี่สิบสามสิบคนเข้าไปช่างไม้ถือมีดถือขวานถืออาวุธครบมือเดินตามหมีไปสังพังหนึ่งก็ไปบรรลุถึงยางต้นไม้ระเครซึ่งเคยเป็นที่หลับที่นอนอย่างแสนสําราญบานใจของมันแต่นั้ ตั้งแต่วันที่ถูกกิ่งไม้ล่นใส่หัวนะที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่หลับที่นอนที่แสนสำหราญบันใจของมันต่อไปแต่เป็นที่ที่มันได้ตั้งต้นผูกเวรกับรุกขเทวดาพอไปยืนอยู่หน้าต้นไม้ตเคราะหมีก็เอามือชี้บอกช่างไม้ทั้งหลายว่า ee, นี่นายช่างทั้งหลายไม้ต้นนี้หลัก เนื้อแข็งที่สุดถ้าร่างอยากได้ไปทำกรงลอ้อข้าพ เ, เจ้าขอแนะนำรับประกันว่ากรงล้อที่ดั้มสร้างจะใช้งานไปได้สิบปียี่สิบปีอย่างแน่นอนช่างไม้ดีใจหากันยกมือขอบคุณพ่อหมีมหาจเจริญหมีบอกไม่ต้องขอบคุณของอย่างนี้มันช่วยกันได้ถ้าไม่เหลือมากกว่าแรง ท่านมีธุระป่าฟังอะไรในป่าบอกข้าพ เ, เจ้ามาไม่มีเวลาก็โทรศัพท์มาส่งลายมาก็ได้นะหมีมันก็ทันสมัยแนะนำเร็จช่างไม้เตรียมยกขวานจะฟันต้นไม้ต้นรนะุกขาเทวาดาอยู่ข้างในเห็นการถ่ายทอดสดโดยตลอดรู้แล้วว่าถ้าไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรนะั้นคอนโดของตัวเองนะคือต้นไม้นะ ถูกคนแน่นอนเทวดาพึพมพำในใจเรานะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งไม่เคยอาคาพปยาบาทไม่เคยจองเวรจองกรรมกับเจ้าหมีตัวนี้มาก่อนแต่อยู่มาวันดีคืนดีเจ้าหมีตัวนี้มันหาเรื่องใส่เราอย่างกระนั้นเลยถ้าปล่อยสถานการณ์เลยตามเลยช่างไม้ทั้งหลายก็จะมา โคนต้นไม้ซึ่งเป็นค่าฤาษีส่วนตัวของเราก็นในเมื่อเจ้าหมีตัวนี้ไม่เห็นแก่หน้าค่าชื่อของเราเอาละเราก็จะไม่เห็นแก่หน้ามันเหมือนกันเป็นไงเป็นกันคิดอย่างนี้เสรรุ ก, กะเทวดาจึงเนรมิตตัวเองเป็นในพรา้าเว็บออกมาจากหลังต้นไม้เดินยิ้มเพละมาหา กลุ่มนายช่างไม้แล้วก็ถามว่าพ่อช่างไม้ทั้งหลายจะตัดไม้ไปทำอะไรช่างไม้ก็บอกว่าเรากำลังจะตัดไม้ต้นนี้หมีตัวนี้บอกว่าไม้ต้นเนี้ยอายุนับร้อยปีเป็นไม้เนื้อแข็งเหมาะมากที่จะทำากงล้อในพรานี้อ๋อเป็นหมีตัวนี้แนะนำรึถ้างั้นเราขอแนะนำเพิ่ม อ, อีกนิดนึงครับรองถ้าท่านทตามคาแนะนาเรา กงล้อของท่านนะจะอายุยืนนานใช้งานไปนะอย่าว่าแต่ยี่สิบสามสิบปีเลยร้อยปีก็ได้ช่างไม้ตาลุกกงล้อจะมีคุณภาพขนาดนั้นทีเดียวหรือถ้าจะเป็นไปได้ยังไงล่ะท่านในพรานในพรานก็บอกว่าจะเป็นยากอะไรท่านก็ตัดต้นไม้ต้นนี้แหละเอาไปกลึงเอาไปเกลามาทำกงล้อแล้วข้าพเจ้าก็ขอแนะนาเพิ่มเติมอีนิดหน่อยว่ากงล้อถ้าจะให้ทนนะ เกินห้าสิบปีขึ้นไปหนึ่งร้อยปีนอกจากใช้ไม้เนื้อแข็งแล้วท่านต้องหุ้มด้วยหนังหมีแก่ๆหมีได้ฟังขนลุกเฮือกเลยตายลวทีนี้จังไม้ก็ถามว่าแล้วเราจะเอาหนังหมีแก่ๆมาจากไหนในพรานแปลงก็ชี้ไปที่หมีก็หมีตัวนั้นไงเรียบร้อยโรงเรียนลุกเทวดาพอได้ฟังอย่างนี้ ช่างหมายทั้งหลายยิ้มอย่างมีความสุขแยกกัน yeah, เป็นสองกลุ่มสองทีมทีมหนึ่งโคนต้นไม้ตะเคราะห์ทีมหนึ่ ง, งจับตัวหมีถลกหนังก็เป็นอันว่าเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างก็ตายตกไปตามตามกันเพราะอะไรท่านทั้งหลายอาฆาตพยาบาทจองเวรเห็นหรือยัง แต่ก่อนแต่ไรเคยอยู่ร่วมกันมาดีๆต่างคนต่างอยู่ไม่มีปัญหาอะไรกันนะแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเกิดความเข้าใจเผิดเกิดการผูกเวเพรพอผูกเวรปับ๊บอาฆาตพยายามหาช่องที่จะสังหารผ่านชีวิตซึ่งกันและกันในที่สุดเมื่อคิดร้ายก็ลงมือทำร้ายผลที่ตามมาคือ สถานการณ์ก็เลวร้ายคิดร้ายเป็นที่มาของการทําร้ายทําร้ายเป็นที่มาของสถานการณ์ที่เลวร้ายและในที่สุดทั้งสองชีวิตก็ร่วมรับดับขันไปต่างๆกันโดยที่ก่อนหน้านั้นก็อยู่กันมาแสนผาสุกทําไมคนรักกันถึงต้องมา อาา่าพยายตมจอมเวรกันทำไมคนที่เคยอยู่ร่วมกันมาอย่างแสนผาสกถึงต้องมาสังหารฐานชีวิตกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราไม่ยอมพูดกันเราไม่ยอมคุยกันเราไม่ยอมสื่อสารกันเราไม่ยอมทิ้งพยศลถมาะละทิฏฐิแล้วหันหน้าก้าหากันเรื่องนี้ไม่ยากเลยท่านทั้งหลาย ถ้าต่างฝ่ายต่างคนไม่คิดเองพูดเองเออเองทำเองแต่คิดอะไรก็ตามเอาสิ่งที่คิดออกมาถกแถลงร่วมกันเจรจาปราศัให้กันตั้งวงฐานเสวนากันถ้าทั้งสองฝ่ายดำเนินไปในทิศทางนี้หมีและรุกขเทวดาจะตายไหม ไม่มีการตายเกิดขึ้นคำถามจากอาตมา ก, ก็คือว่าทำไมนะเวลาที่คนเราขัดแย้งกันเขาจึงไม่ยอมคุยกันทำไมอะไรมันขวางอยู่ยังไม่ต้องตอบก็ได้ท่านคิดไว้ในใจอาตมาจะขอเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้คือคำตอบในสมัย สงครามโลกครั้งที่สองประเทศเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กระโจนเข้าสู่สงครามประชาชนพลเมืองโดยเฉพาะผู้ชายถูกต้อนไปเป็นทหารไปรบอยู่แนวหน้ามีครอบครัวของชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งซึ่งเพิ่งแต่งงานกันได้เพียงสองเดือนเศษเท่านั้นเอง พอสงครามเกิดขึ้นสามีถูกทางการเรียกตัวไปประจำการอยู่แนวหน้าสามีนั้นรักภรรยาเหลือแสงภรรยาก็แสนที่จะรักสามีแต่ไม่ว่าทั้งสองคนจะรักกันมากแค่ไหนก็ตามเมื่อชาติเรียกร้องต้องการก็ยอมเสียสละความรักส่วนตัวเพื่อความอยู่รอดของชาติซึ่งเป็นเรื่องส่วนท่วม ในที่สุดสามีก็ตัดสินใจไปรับใช้ชาติอยู่แนวหน้าตลอดเวลาที่สามีไปรับใช้ชาติอยู่แนวหน้านั้นเขาไม่สามารถติดต่อกับภรรยาได้เลยวันเวลาผ่านไปประมาณสี่ปีสงครามสงบทางหารที่รอดจากสงครามต่างคนต่างก็ทยอยกลับบ้านเกิดชายหนุ่ม ก็เป็นหนึ่งในบรรดาทหารที่ถ้ายอยกลับบ้านเกิดเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับภรรยาของเขาเลยว่าจะเป็นตายร้ายดีประการใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความหวังประการเดียวของเขาก็คือเขาเชื่อมั่นว่าเธอน่าจะยังคงมีชีวิตเด็กส่วนภรรยานั้นตั้งแต่สามีออกจากบ้านไปรับใช้ชาติก็ขาดการติดต่อกับสามีอย่างสิ้นเชิงเพราะยุคนั้นโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กก็ยังไม่มี โปรแกรมต่างๆที่เราใช้สนทนาติดต่อกันอย่างทุกวันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นสามีก็ไม่รู้ว่าภรรยายังอยู่ไหมภรรยาก็ไม่รู้ว่าสามียังมีชีวิตยอยู่ไหมต่างคนต่างไม่รู้จักความเป็นไปของกันและกันในส่วนของภรรยานั้นหลังจากที่สามีไปรับใช้ชาติอยู่แนวหน้าได้ไม่นานเธอก็คลอดลูกชายมาคนหนึ่งแล้วก็พยายามเลี้ยงลูกนั้นอย่างดีที่สุด คนสามีนั้นก็ไม่รู้ว่าภรรยาเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ต่อไปว่าระหว่างที่เขาไปอยู่แนวหน้านั้นเธอให้กําเนิดโซ่ทองคล้องใจมาคนหนึ่งในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้ความเป็นไปของกันและกันดังนั้นในวันที่สามีกลับมาถึงบ้านมีคนวิ่งมาบอกผู้เป็นพันภรรยาเธอดีใจมากวิ่งออกไปรับเขาจนถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน เธอวิ่งพลางอุ้มลูกพลางจนกระทั่งบรรลุถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเห็นสามีกลับมาจากแนวหน้าในสภาพที่เรียกกันว่าหนวดเคราดกครึ้นผมเเ่าก็ไม่ได้ตัดแต่อย่างไรก็าตามในเมื่อเคยเป็นคู่ตันางหันกันมาก่อนแค่เพียงทอดตามองครั้งแรกต่างคนต่างก็จำกันและกันได้ ทั้งสองคนจากกันไกลไปไม่น้อยกว่าสี่ปีพบกันอีกครั้งหนึ่งจึงคิดถึงกันสุดที่จะปั่นนาต่างคนต่างกระโดดเข้ากอดกันเก็บรักซึมซับเอาความรักความคิดถึงความเป็นห่วงบวกใหญ่เข้าสู่ตัวตนของกันและกันเมื่อกอดกันหอมกัน ด, ด, ดูดื่มอย่างเต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็ค่อยๆ ค, คลายอ้อมกอดออกพอคลายอ้อมกอดออกฝ่ายสามีก็สังเกตเห็นเด็กตัวเล็กๆตัวหนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังภรรยาเขาจึงถามภรรยาว่าที่รักเจ้าหนูเนี่ยใครเนี่ยภรรยาก็บอกว่าเออพี่น้องดีใจจนลืมแนะนำไปเนี่ยลูกของเราพวเทาเนี่ย ผู้เป็นสามีดีใจจนตัวลอยนั่งยองๆลงโผล่เข้ากอดลูกแต่เจ้าเด็กน้อยไม่เคยเห็นผู้เป็นพ่อมาก่อนถอยกลัวทันทีชายหนุ่มนึกว่าเด็กตกใจก็พยายามจะไล่จับลูกพอผู้เป็นพ่อจะวิ่งไล่จับเจ้าหนุ่มยิ่งตกใจทีนี้มันวิ่งหนีเลยภรรยาก็เลยบอกสามีว่าพี่ไอยลูกเธอ ลูกไม่เคยเห็นชายแปลกหน้าไม่ต้องตามเขารอเอาเป็นว่าอย่างนี้นะพี่นะพี่อ่รออยู่ตรงนี้เดี๋ยน้องจะเข้าไปในตลาดวันนี้น้องจะทํากับข้าวที่พี่โปรดปรานที่สุดเป็นการรับขวัญที่พี่ดูลูกอยู่ตรงนี้นะสิบห้านาทีน้องกลับมาสั่งเสร็จๆคู่เป็นภรรยาก็ตรงแนวไปตลาดสดระหว่างนั้น ชายหนุ่มก็พยายามจะใช้ศิลปะในการไก่เกลีย่ยแจกระจากับเจ้าส น, น้อยซึ่งเป็นลูกแท้ๆของเขาเองชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปและในที่จุดก็สร้างความคุ้นเคยได้สําเร็จพอเริ่มคุ้นเคยชายหนุ่มก็บอกว่ามานี่สิลงุงมาหาพ่อมาให้พ่อกอดลงุงเจ้หนูก็ชี้หน้าพ่อตัวจริงเลยลุงลุงมไม่ใช่พ่อของหนูเพราะว่าพ่อของหนูนะ ตัวดำดหมอนี่สะอึกตัวดำๆแต่เราขาวแล้วพ่อของหนูนะก็ชอบมาเฉาพาะตอนกลางคืนเท่านั้นสะดุ้งเป็นเหือกที่สองเจ้าหนูพูดอีกพ่อแม่นั่งนะพ่อหนูก็นั่งพ่อแม่นอนนะพ่อหนูก็นอนลุงยัง ม, มีใช่พ่อหนูหมอนด้คิดเลย พอมีเรานั่งมันก็นั่งพอมีเราอนอนมันก็นอนนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเธอสวมเขาให้กับเราเรียบร้อยแล้วและนี่ยังมีหน้ามายอนเมียวาขายบอกว่าเจ้านี่คือลูกเขาเจ้าหนุ่มได้บทสรุปเรียบร้อยเหมือนหมีตัวนั้นเขาได้บทสรุปในจิตในใจเรียบร้อยแล้วว่าตลอดเวลาสี่ปีที่ เขาไปรบอยู่แนวหน้าภรรยามีกิจเขาเริ่มสงสัยว่าเจ้าเด็กนี่ไม่น่าจะใช่ลูกของเราพอมาถึงบทสรุปอย่างนี้หัวใจของชายหนุ่มแข็งเป็นก้อนเห็นขึ้นมาทันทีไม่แม้แต่จะทอดตามองเจ้าเด็กน้อยนั่งจับจาวรงก้อนเห็นก้อนหน่ พยายามตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกอนไรๆเพื่อคมความโกรธคมน้ำตาให้มันตกลงข้างในไม่ให้มันไหลออกมาข้างนอกตีมหานาทีผ่านไปผู้เป็นภรรยากลับออกมาจากตลาดสดด้วยอาการยินดีปรีดาหมายจะจับแขนสามีเดินกลับบ้านใช้นมชักมือกลับเ้วก็สังเกตเห็นว่าทำไมเขาต้องชักมือกลับเธอถามมาพี่ผีเข้าไดงไง ตั้งกลับมาชายหนุ่มไม่มองหน้าเธอด้วยสําชักมือกลับไม่มองหน้าเธอไม่มองหน้าลลกเขาคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงโชดกับชายชั่วที่กำลังรวมหัวกันสวมเข่าให้กับตัวเขาเองชายหนุ่มเดินตามัรรยากลับบ้านไป คืนนั้นเธอบัรจงทำกับข้าสุดสีมือแต่เขากินเพียงสงสามคำแล้วก็อาบน้ำเ ข, ข้า้อนไม่พูดกับพันธยาแม้แต่คำเดียวภันธาก็คิดในใจว่าสงสัยสามีเราได้รบอยู่แนวหน้าหลบหนีหากระสุนหาระเบิดบางทีเขาอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองก็เป็นได้เธอคิดในใจว่าช่างเธอสองสามวันก็น่าจะดีขึ้นเอหรือบางทีเขาอาจจะช็อกที่จู่ๆก็มีลูก ภรรยาก็ปรุงไปแต่งไปจิตนาการไปแต่เธอก็ไม่ถามนะคืนนั้นผ่านไปหนึ่งคืนโดยที่ทั้งสองคนนอนหันหลังให้กันทางดังที่เพิ่งเจอกันวันแรกน่าจะกอดกันกลมอย่างมีความสุขแต่เปล่าเลยทั้งสองคนนอนหันหลังให้กันและกันและในหัวของสามีก็เต็มไปด้วยคําถามในหัวของภรรยาก็เต็มไปด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครเปิดปากพูด วันรุ่งขึ้นบ้านหังน้ำเงียบกร็ดภรรยาเข้าครัวทำกับข้าวให้เขากินข้าวเสร็จเขาก็หายเข้าห้องไปเงียบกล็ดคืนที่สองนอนอันหลังให้กันและกันเหมือนเดิมภรรยาเห็นว่าอาการของสามีหนักหนาสหัสไม่เตียงแต่ไม่พูดเขาไม่มองเธอ้วยซ้าในส่วนของสามีก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีค่าควรที่เราจะทอดตามอง แค่อยู่บ้านด้วยในก็รู้สึกว่าก้มกลืนฝืนใจสุดๆแล้วยิ่งใกล้ ย, ยิ่งเจ็บตลอดเวลาสีปีที่ผ่านมาเธอนอนกับคนอื่นทุกคืนยังมาตีเน้าเศ้าเล่าความเท็จบอกว่าคิดถึงเราเหลือแสนภรรยาก็คิดในใจว่ามันเป็นอะไรของมันสมองกระทบกระเทือนหนักถึงขั้นจำเราไม่ได้หรื อ, อมเมื่อไม่พูดก็ช่างมันเถอะก็อยู่กันไปนคืนที่สองเข้าสู่คืนที่สาม อาการยิ่งเย็นชาหนักข้อลงอีกคราวนี้ถึงขั้นเรียกมานอนสามีไม่เข้าห้องนอนปล่อยให้เธอเข้านอนก่อนพอเธอแกล้งหลับเขาถึงขึ้นมาบนเตียงแล้วนอนหันหลังจนกันเหมือนเดิมในทื่จดเมืดดม่อไม่พูดเมื่อไม่มองเมื่อไม่คุยภรรยาอดรนทนไม่ไหวคืนนั้นก่อนรุ่งสางเธอตัดสินใจเดินไปที่แม่น้าท้ายหมู่บ้าน ตัดสินใจให้สายน้ำพี่ภาษาชีวิตกระโดดลงไปในแม่น้ำข่าตัวตายเพราะเธอเจ็บปวดหัวใจเหลือแสงได้สามีคืนกลับมาแต่ทว่าได้ความชาเย็นเย็นชาแถมกลับมาด้วยวันรุ่งขึ้นร่างของภรรยาไปติดกวนของชาวประมงชาวบ้านอุ้มศพเธอมา ส่งให้สามีสามีตกใจและเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลแทบเป็นสายเลือดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องใช้นิธีนี้ด้วยแต่ยังไงก็ตามเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วชายหนุ่มกล้าเกริ่นฝืนใจจัดงานศพให้ภรรยาเอาศพบรรจุลงนิมนรพระมาสวดพอพระสวดเสร็จเขาก็นั่งเฝ้าหน้าโลง ร้องห่มร้องไห้บนหมองครองเศร้าน้ำตาไหลเป็นทางตั้งศพได้สองวันพอถึงคืนวันสุดท้ายหลังพระสวดพระอาทิธรรมเสร็จเจ้าหนูเดินป้วนเปี้ยนมาอยู่แถวหน้าโรงของผู้เป็นแม่ชายหนุ่มก็คิดหนักเลยพระพรุ่งนี้จะเผาแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไงทําไมเรื่องมันต้องจบแบบนี้ พร้องห่มร้องไห้เดินไปเดินมายากกังกระเสือติดสันขณะที่เดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเงาของชายหนุ่มก็ทอดลงไปยังฝาผนังบ้านเจ้าหนูเห็นเงาของชายหนุ่มจึงชี้ไปที่ฝาผนังบ้านลุงลุงดูนูน่นสินั่นล่ะพ่อผมตัวดำๆแบบนี้ชายหนุ่มหันไปมองเจ้าหนู่ยพูดอีกนี่ล่ะพ่อผมเนะ ชอบมาหาแม่แบบนี้ทุกคืนเลยชายหนุ่มลองนั่งดูเจ้าหนูชินี่แหละพ่อผมชอบนั่งกับแม่แบบนี้เจ้าหนุ่มลองนอนดูเจ้าหนูพูดอีกนี่เลยพ่อผมะก็ชอบนอนกับแม่แบบนี้พอพูดมาถึงตรงนี้ชายหนุ่มบันลกุกดำสว่างโลงเข้าใจละ ว, ว่าอะไรเป็นอะไร เขาได้ดดบทสรุปขึ้นมาในใจว่าแสดงมาตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาเธอคงรักลูกมากไม่อยากให้ลูกเป็นกํมพราจึงสมมุติเอาเงาว่าเป็นเราซึ่งเป็นพ่อของเด็กปัญหาก็คือเด็กกลับเชื่อว่าเงาคือพ่อจริงๆพอเจอพ่อจริงๆกลับเรียกเป็นลุงเอาละสิทีนะั้ยิ่งคิด ยิ่งรู้สึกผิดในที่สุดคืนนั้นหลังจากส่งลูกเข้านอนเขาทนแบกรับความรู้สึกผิดต่อตัวเองต่อลูกและต่อภรรยาไม่ไหวตัดสินใจเดินไปยังแม่น้ำท้ายหยู่บ้างกระโดดแม่น้ำตายปีคนวันรุ่งขึ้นชาวประมงเจอศพเขาเจ็ดอยู่ที่อวนงมศพมา ส่งให้เจ้าหนูเป็นเจ้าภาพเหมารวมทั้งศพพ่อศพแม่สองศพพร้อมกันว่ากันว่า น, นี่คือโศกนาฏกรรมซึ่งเคยเกิดขึ้นนะประเทศเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราทั้งหลายตอบได้หรือยังทำไมคนที่รักกันต้องทำร้ายกันต้องมาประราช จ, จากกันรักแตนรัก ห่งแสนห่วงโภพันแสนโภพั น, พนแต่แล้วทําไมต้องมาชิงชังนำหน้ากันแต่แล้วทําไมต้องมาเลดรังขามเหินกันแต่แล้วทําไมต้องมาหันหลังให้กันแล้วกันแต่แล้วทําไมต้องมาตั้งป้อมทำร้ายซึ่งกันแล้วกันอะไรคืออุปสรรคความในตรงกลางท่านตอบได้หรือยังสิ่งที่ทําให้คนสองคนชายนุมน่มหญิงสาวคนนี้ ไม่ยอมเปรตปากถามความจริงจากกันและกันทั้งทั้งได้นอนด้วยกันทุกคืน่ะคืออะไรคำตอบก็คือทิฏฐิมานะทิฏฐิคือการที่แต่ละคนมีชุดความเชื่อชุดใดชุดหนึ่งอยู่ในหัวแล้วเมารวมว่าอันเนี้ยคือความจริงเอาความเชื่อมาสรุปเป็นความจริงมานะก็คือถือเนื้อถือตัวว่าในเมื่อฉันไม่ผิดเรื่องอะไรฉันจะพูดกับมัน ในเมื่อฉันถูกต้องเรื่องอะไรฉันจะไปโอนอ่อนผ่อนตามมันในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ปลูกขาดความถูกต้องไว้ในกำมือของตัวเองจึงไม่มีใครยอมใครจึงไม่มีใครโอนอ่อนผ่อนตามใครตรงนี้เองท่านทั้งหลายจุดที่สงครามเกิดขึ้นก็เพราะเมื่อคนเรามีความขัดแย้งกันต่างคนต่างก็ทอดทิ้งความจริงและเอาความเชื่อขึ้นมาบูชาเป็นสรณะ ฉะนั้นนักเขียนคนหนึ่งจึงบอกว่าถ้ำกลางสมรภูมินั้นคนที่ตายเป็นคนแรกชื่อว่านายความจริงความจริงถูกสังหารก่อนเป็นคนแรกทุกวันนี้สังคมไทยของเราเนี่ยเวลาท่านเสพข่าวติดตามข่าวทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางตื่อสิ่งทินทางโซเชียลมีเดียท่านรู้ไหมว่าอะไรคือความจริงลองอา่านหนังสือทีมสักวรรณะเจ็ดฉบับ ท่านจะเห็นว่าข่าวเดียวกันรายงานไม่ตรงกันมองไม่ใช่มุมเดียวกันว่ากันไปโครทิศโคลรทางแล้วถ้าท่านดูรายการโทรทัศน์แต่ละช่องทิศทางการนำเสนอข่าวก็ไม่เหมือนกันบางช่องก็เป็นกลางบางช่องก็เป็นกลางบางช่องก็เอียงบางช่องก็สุดตรตงความจริงถูกสังหารไปเรียบร้อยที่เหลือมาถึงเราคือความเท็จ นั้นเราอยไปเชื่ออะไรง่ายๆถ้ามกลางสมรภูมิที่คนขับแย้งกันเราต้องใจเย็นเยศึกษาหาข้อมูลให้มากที่สุดจากนั้นจะวิจารณ์ใครหรืออะไรต้องทําการวิจัยจะให้ความเห็นเรื่องไหนหรือเรื่องใดก็ตามต้องหาความรู้สรุปเป็นสูตรว่าต้องวิจัยก่อนวิจารณ์ ต้องหาความรู้ก่อนให้ความเห็นและเมื่อมีปัญหาผิดพ้องหมองใจกันขึ้นมาให้ทิ้งประโยชน์ลดมานะละทิฐิจากนั้นหันหน้าเข้าหากันเจรจาปราศัยกันมนุษย์มีศักยภาพพิเศษยิ่งกว่าดิรัชฐานทุกชนิดตรงที่ว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผล เราจะไปลืมความสามารถของเราจรงนี้เสียช้างมีอาวุธสำคัญอยู่ที่งาเสือมีอาวุธสำคัญอยู่ที่เขี้ยวงูมีอาวุธสำคัญอยู่ที่พิษแมลงปองมีอาวุธสาคัญอยู่ที่หางตัดเหล่านั้นเวลามีปัญหากันขึ้นมา ยกเอาอาวุธที่ธรรมชาติให้มามาคมเหงื่รังแกกันเรียกว่าแก้ปัญหากันด้วยกําลังและอาวุธส่วนมนุษย์เราอาวุธอยู่ตรงไหนทนะทั้งหลายอาวุธของมนุษย์เราก็คือปัญญามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ใช้กําลังมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ใช้อาวุธมนุษย์เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติออกแบบให้มาใช้ปัญญา ฉะนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญามารับมือนี่แหละคือศักยภาพพิเศษของมนุษย์นั่นคือมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลแต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะทอดทิ้งเหตุผลไปและเราก็ถือทิฏฐิบูชาความเชื่อให้ขึ้นมาอยู่เหนือความจริงถือมานะอดดื้อถือดีว่าเราเท่านั้นถูกต้องที่สุด ฟังใครไม่ได้ยอมใครไม่เป็นถ้าเรายังคงเป็นไปในทิศทางนี้นะสุดท้ายที่น้องเราชาวไทยจะลุกขึ้นมาเข่นฆ่าราวีกันเองในทางประพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมสำหรับดับร้อนสำหรับดับอาฆาตพยาบาทเอาไว้หลายหมวดด้วยกันมวลหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงสแสดงไว้ก็คือ พระองค์ขอให้เราเป็นคนใจกว้างและยินได้ฟังอะไรมาก็ตามอยา่าเพิ่งเชื่อโดยปัจจุบันทันทีนะพระองค์บอกว่าถ้าเรามีชุดความรู้มีชุดความเชื่อมีชุดความเห็นอยู่ชุดหนึ่งอย่าเพิ่งสรุปว่าความรู้ความเชื่อความเห็นที่เรามีอยู่เป็นความจริงสูงสุดแล้วถ้าเรากระกอย่างนี้ทําให้เราใจแคบและยิ่งเราไปต้อนให้คนอื่นมาเชื่อเหมือนเรามาเห็นเหมือนเราเพราะเขาไม่เห็นเหมือนเรานะ เรากับเขาจะลุกขึ้นมาทะเลาะกันพระพุทธองค์บอกเราว่าเราต้องมีท่าทีแบบสัจจานุกรักคือตามรักษาความจริงความจริงมีอยู่อย่างไรให้ว่าไปตามความจริงอย่าเอาความเชื่อขึ้นมาแทนที่ความจริงเช่นถ้าเราเชื่ออย่างนี้คนอื่นไม่เชื่อเหมือนเราเราก็อย่าไปด่าเขาให้เราพูดว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าอย่างนี้นะท่านเห็นว่ายัางไงท่านลองว่ามาสิเปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดถึงความเชื่อของเขา เคารพในความเชื่อของคนอื่นและคนอื่นก็ควรจะเคารพในความเชื่อของเราต่างคนต่างก็ถ้อยตีถ้อยอาศัยตั้งใจฟังซึ่งความเชื่อของกันและกันอย่างนี้จะทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนี่เขาเรียกว่าเมีทาทีแบบสัจจานุรักคือตามรักษาความจริงไม่ยอมเอาความเชื่อเข้ามาแทนที่ความจริงครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เจ ด, ดีย์ไปย่างนิคมชื่อกาลามะมีชาวบ้านมาเป้าแห่นจํานวนมากแล้วก็บอกว่า ฆ่าแต่พระผู้มีพระภาคเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันนั้นมีศาสดามีกูรูทั้งหลายเดินทางผ่านมาแถวนี้แล้วแต่ละรูปแต่ละองค์แล้วแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยแต่ละรูปแต่ละองค์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้บุรกานเป็นศาสดาตัวจริงผู้งงงงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นศาสดาตัวจริงอมฉันก็เลยอยากจะถามพระองว่าใครกันนะที่เป็นศาสดาตัวจริงเป็นพระอรหันต์ตัวจริงเป็นผู้รู้ตัวจริง พระพุองค์ทรงแสดงถึงท่าทีแบบสัจจานุรักของพระองค์ต่อหน้าชนเหล่านั้นนั่นก็คือพระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายใครจะเป็นศาสดาจริงใครจะเป็นครูจริงใครจะเป็นผู้รู้ตัวจริงเอาไว้ก่อนท่านทั้งหลายลองฟังเราดูหน่อยไหมเรามีหลักการของเราจะว่าให้ท่านฟังและจากนั้นพระองค์ก็สสทรงแสดงธรรมที่ชื่อว่าการามสุขซึ่งมีสาระสําคัญอยู่ว่า อย่าเชื่ออะไรง่ายๆตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้ลงมือพิสูจน์จนเห็นผลประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่พระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าองค์นั้นจริงองค์นี้ไม่จริงพระองค์ไม่ละเมิดละทิเหล่านั้นนะพระงบอกว่าใครจะจริงไม่จริงเอาไว้ก่อนนะมาฟังเราดูไหมลองฟังดูเราจะว่าอะไรดีๆให้ฟัง นี่คือวิธีที่จะอยู่ร่วมกับคนคิดต่างเห็นต่างได้อย่างสันติท่านทั้งหลายเราไม่ต้องไปเกณฑ์รับรับแหลกว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเชื่อนั้นดีหรือไม่ดีให้เราใช้วิธีว่าเออท่านเชื่ออย่างนั้นหรืออืมงั้นท่านลองฟังผมหน่อยไหมแล้วเราก็ว่าความเชื่อของเราให้เขาฟังต่างคนต่างก็ฟังซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งและฟังอย่างให้เกียรติ ถ้าเราถือทัศนะท่าทีอย่างนี้ในที่สุดคนคิดต่างเห็นต่างพูดต่างจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนี่เรียกว่าท่าทีสัจจานุรักใครฝึกได้อย่างนี้จะกลายเป็นคนที่ใจกว้างอยู่ร่วมกับคนคิดเห็นแตกต่างหลากหลายได้อย่างสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขนี่คือวิธีที่หนึ่งที่จะทําให้เราอยู่ทั้งกลางสอบหมออภุมแห่งความคิดความเชื่อและทั้งกลางคนที่แตกสามาัคคีได้อย่างมีความสุข วิธีที่สองพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราปลูกเมตตาลงไปในเรือนใจของเราทุกคนท่านท้งหลานเมตตาเป็นดังแห่งเมล็ดพันธุ์เราต้องอัญเชิญเอาเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตานี้มาปลูกลงไปในจิตในใจของเราพอถ้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาให้ปริบานงอกงามในจิตในใจของเราได้สําเร็จเราจะกลายเป็นบุคคลแห่งเมตตาอยู่ที่ไหนก็มีแต่เมตตาคิดก็คิดด้วยเมตตา พูดก็พูดด้วยเมตตาทําก็ทําด้วยเมตตาถ้าเราคิดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาและทําด้วยเมตตาจะไม่มีใครต้องบาดเจ็บล้มตายหรือเจ็บช้ําน้ําใจเพราะการกระทําและคําที่พูดของเราเลยเพื่อความเข้าใจอัตมภาพขอเล่าเรื่องบุคคลที่เปลี่ยนด้วยเมตตาคนหนึ่งให้ฟังครั้งอดีตการนานไกลไมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุมังทละเศรษฐี วันหนึ่งสุมาลกะเสตถีกําลังจะเดินทางเข้าวังเพื่อไปเฝ้าพระราชาณนะประตูเมืองนั่นเองสุมาละเสตถีได้ทอดตามองเห็นใครคนใดคนหนึ่งกําลังนอนคลุมโปงท่านจึงกระซ้าหรือแซลนะหรือหยอกขึ้นมาว่าเออดูพ่อหนุ่มคนนี้สิเมื่อคืนสงสัยจะเที่ยวจนดึกจนดื่นเช้านี้ จึงมันนอนตื่นสายอยู่ตรงนี้นี่ประตูเมืองก็เปิดแล้วคนก็เดินเข้าเดิ น, นออกก็ยังไม่ยอมตื่นอีกเศรษฐีก็กระเซ้าเยาะแย่แค่นี้แล้วก็เดินผ่านไปท่านไม่ได้คิดจริงคิดกันอะไรหรอกท่านเห็นปุ๊บเป็นก็วิจารณ์ออกมาเล่นๆพูดกับคนท้ายที่เดินตามท่านตอนนั้นเองแต่คนฟังคิดจริงปลดจริงเหนุ่มที่นอนคลุงโปรงอยู่ในนั้นได้ยินเต็มสองหู เลิกพระหฮมออกมามองดูว่าใครมายุ่งกระจําหน้าเศรษฐีไว้แล้วผูกอาฆาตภยาบัติในใจตั้งแต่วันนั้นว่าเจ้าเศรษฐีนี่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเราจะเที่ยวกี่โมงถึงกี่โมงมันเรื่องของเราเราจะนอนตื่นสายกี่โมงมันเรื่องของเราระวังให้ดีเถอะท้กวันหนึ่งเราจะสอนบทเรียนของการชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านให้ดูจะได้รู้กันว่าใครเป็นใคร ถ้าเป็นภาษาบ้างเราเขาก็เรียกว่าไผเป็นไผตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะเจ้ามาหาวายร้ายนะักเลงเที่ยวกลางคืนคนนั้นนะข้ายามหาช่องที่จะรังควานเศรษฐีตลอดในเมื่อรังควานตรงๆไม่ได้เพราะท่านเศรษฐีมีบริษัทบริวารมากวันหนึ่งเขาจิงแอบไปเผานาข้าวของท่านเศรษฐีนะเศรษฐีทำนาเปยทำนาปรังนะพอข้าวสุก เหลืองอารามเต็มไร่เต็มทุ่งเจา้านีแอบเอาไฟไปจุดเผาเจ็ดครั้งเจ็ดผลไม่ทันไดเอาเข้าไปจนำนาเขาเกลี้ยงทุกครั้งเจ็ดครั้งเจ็ดถามว่าเศรษฐีโกรธไหมเศรษฐียิ้มเพราะเศรษฐีเป็นผู้ที่มีเมตตาอยู่ในเรือนใจซึ่งภาษาพระเรียกว่าเมตตาวิหารีแปลว่าผู้มีเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจ ทุกครั้งที่มีคนลอบเผานาะข้าวเศรษฐียิ่งเหรอเผาอีกแล้วเหรอก็ดีเผาเสร็จเดี๋ยวเราก็ไถแล้วก็หว่านให ม, ม่เห็นเป็นไระยิ่งเศรษีไม่โกรธนะเจ้ามาหาวารนะายโกรธหนักขึ้นีกลอบเผานาะเศรษฐีเจ็ดครั้งเศรษฐีไม่โกรธเจ้านี่ยิ่งโกรธหนักหนากจะ า, าขึ้นไปกว่าเดิม พยายมลอบมองหาช่องลอบมองหาทางว่าทำยังไงเศรษฐีจะกรดวันหนึ่งก็รู้ว่าเศรษฐีมีฟาร์มวัวแอไปตัดเท้าวัวของเศรษฐีท่านทั้งหลายวัวเป็นร้อยร้อยตัวนี่นะดึกดื่นคืนหนึ่งเจ้าหมอ น, นี่เตรียมม่คคดคมเกดลอบเข้าไปในฟาร์มวัวตัดเท้าวัวชับชับชับชับชั บ, ชบคืนเดียววัวนับร้อยตัวล้มตึ้งตึงต้งตึง้งตึายเต็งหมดเลย เศรษฐีตื่นขึ้นมาเจอบัวตายเป็นรหรือว่าเศรษฐียี่ไม่เป็นไรหรอกของมันเกิดได้มันก็ตายได้ท่านก็ชำแหละซะนะเอาไปแบ่งๆกันกินเนลือกินก็ขายไม่เป็นไรหรอกเศรษฐียี่แล้วเจ้าหมอนี่รอบตัดท้าวกี่ครั้งท่นทั้งหลายเจดครั้งเศรษฐีโกรธไหมไม่โกรธเศรษฐีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเงินทองเราเหลือเยอะ เจ้าอนี่ก็โอมโอ้โหทำถึงขนาดนี้ยังไม่โกรดยิ่งพยายามทำให้คนอื่นเจ็บแต่เขาไม่เจ็บยิ่งพยายามทำให้คนอื่นโกรธแต่เขาไม่โกรธยิ่งพยายามทำให้คนอื่นทุกข์แต่เขาไม่ทุกข์ผลสุดท้ายความทุกข์นั้นย้อนมาเข้าตัวเองด ด, ดังหนึ่งบุ่มแรงที่คว้างออกไปคว้างแรงแค่ไหนกลับมาแรงแค่ น, นชายหนุ่มเจ็บช้ำน้าใจ ส่วนเชียมจะเป็นโรคหัวใจเอาไม่ได้ครั้งที่สามเลยลอกเผาคระดหานเศรษฐีเจ็ดครั้งเจ็ดหลังด้านทั้งหลายมีคระดือหักกี่หลังเจ้าหมอนี่ลอกวางเพลิงลหมดเลยเศรษฐีว่าไงเศรษฐียิ้ไม่ต้องห่วงเผาได้เราก็สร้างได้เงินทองเรายังเหลือเยอะเรียกช่างไม้มาสร้างคระดหานหลังใหม่เจ้าหมอนี่สุ่มดูสถานการณ์อยู่ห่าง รู้ว่าเศรษฐีไม่โกรธยิ่งทุกแทบล้มประดาตายน้าตาไหลแฝกแฝกทุกข์เพราะไม่สามารถทำาให้เศรษฐีทุกข์กว่าตัวเองได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราทำถึงขั้นนี้เศรษฐีก็ยังไม่โกรธเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งเป็นจุดอ่อนรุ้นหลุมดำที่จะทำให้เศรษฐีคนนี้โกรธจนหัวใจจะวาย แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปสื็จทราบมาว่าเศรษฐีไปวัดทุกวันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าที่ไหนที่พระคณะกุฎีของพระพุทธเจ้าเจ้าหมอนี่ลอบตามเข้าไปเลยว่าเห็นท่านมหาเศรษฐียกถังธงกฐินไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าที่พระคณกุฎีเจ้าหมอนี่ได้บุตรเรารู้แล้วสิ่งที่เศรษฐีรักเคารพบูชาที่สุดคือพระพุทธเจ้า อย่ากระนั้นเลยเผาคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้วันหนึ่งพอพระพุทธองค์เสด็จดําเนินไปปฏิบัติพุทธเกตหการณ์ทักคุณดีไม่มีคนเฝ้าเจ้าหมอนี่ลอบเผาพระกาณ์ทกุณดีของพระพุทธเจ้าเลยหาการณ์ทักคุณดีก็คือกุฏิเผากุฏิพระพุทธเจ้าไม่เป็นจุนวิจุนจนเหลือแต่เท่าฐา น, านเป็นผงคลีทุลีมีคนวิ่งไปบอ ก, บอกท่านเศรษฐี ท่านเศรษฐีกุลีกุจอวิ่งมาดูซากทะค้คณะกกุฎีที่ไม่เป็นจุนที่จุนเหลือแต่ผงกรีผู้ในดินสีดำเจ้าวันนี้แอบสุ่มอยู่ข้างทำไมดูว่าท่านเศรษฐีจะกดธไหมปรากฏว่าพอท่านเศรษฐีวิ่งมาถึงท่านทั้งหลายเศรษฐีปรบมือฉาดใหญ่ร้องรำทําเพลงเต้นรอบกอง่านกองเพลิงท่านั้งหลายบอกกับบริษัทบริวารว่า พี่น้องเอยบันนี้กุฏิของพระพุทธองค์ก็มอดไม่เป็นจุนไปแล้วเรา น, นิีใจเหลือเกินเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่เสด็จีจัดการให้คนชำระสัสารอาณาบริเวณนั้นแล้วจัดการลงหลักปัจฐานสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายพระพุทธเจ้าหมอหนี้ช้ำใจจนกระอาบเมือดที่ว่านี้คือแผนการขั้นสุดยอดแล้วนะเผาพระคันธกุฏี จุกตศรีก็ยังไม่ครอดเราเป็นนอนร้องไห้ทั้งคืนวันดีคืนนี้ก็ลอบมามองเขาสร้างกุฏิใหม่เดี๋ยวถ้ า, ถาเสร็จก่อนต้องจัดการอีกหนาะจนกระทั่งท่านมหาเศรษฐีสร้างพระกันทักุดีถวายพระพุทธเจ้าในวันถวายพระกันทักุดีแก่พระพุทธเจ้าคณะสงฆ์ทั้งนั้นมารับมหาวิหารฐานคนมาเรือนหมื่นเรือนแสน เจ้านี่ใช้แผนการขั้นเด็ดขาดและสูงสดุดพบมีดเข้ามาในชายพบนะปลอมปนฝูงชนเข้าไปรอปภทั้งหลายไม่ทันได้สํารวจตรวจสอบเพราะคิดว่าในงานบุญใครจะมาทําร้ายใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็เลยปล่อยปลาแล้วเลยเจ้ามหาไวาร้าก็เล็ดลอดฝูงชนเข้าไปไปนั่งอยู่ห่างๆท่านเศรษฐีสัก สามวารอนั้นเองท่านทั้งบายเบื่องแน่ของท่านเศรษฐีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายล้อมไปด้วยประชาชนเรือนเหมื่นเรือนแสนพอท่านมหาเศรษฐีลังน้ําทัศโนโต๊ะถวายพระกันทักกุลดีพระพุทธองค์และคณะสังสูงดังนั้นทรงโมทนาสาทุกันเปลงสัทธสัญญาสาทุกันสาทุขึ้นสามครั้งเจ้านีคชักมิดกระชับอยู่ในมือเตรียมจะมันจ้วงแทงเศรษฐีทากลางฝูงชน ค่อยๆคลานเข้ามาข้างหลังช้าๆเทเลนิ์ทีลนท์ทเลนท์นไม่ให้คนถึงเกงเห็นแต่ก่อนที่เขาจะมาถึงท่านเศรษฐีเขาได้ยินเสียงท่านเศรษฐีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ข, ขึ้นมาแล้วเขาต้องเงียบฟังเพราะวัดทั้งวัดเงียบกริบมีแต่เสียงท่านเศรษฐีเท่านั้นเศรษฐีประนมมือขึ้นหลังน้ําทักิโอทบลงเด่น แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเสียงดังว่าเป็นเวลานานมาแล้วมีใครก็ไม่รู้คนหนึ่งใครคนนั้นได้อาค่าพยาบาทจองเวรต่อข้าพเจ้าครั้งหนึ่งเขาเคยลอบเผานาข้าพเจ้าถึงเจดครั้งเจ็ดผลอีกครั้งหนึ่งมาลอบตัดเท้าวัวของข้าพเจ้าเจ็ดครั้งเจ็ดผลเท่านั้นยังไม่พอชายคนนี้ ยังมาลอบเผาครื่องหาของข้าพเจ้าเจ็ดครั้งและเจ็ดหลังครั้งสุดท้ายบาปกรรมที่ชายคนนี้ทํำก็คือเผาพระคันธกุลีที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือสุดจิตสุดใจสาธุเดชาบุญที่ข้าพเจ้าได้ถาวายพระคันธกุลีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนี้บุญกุศลก้อนแรกที่เกิดจากการถาวายพระคันธกุลีในวันนี้ ข้าพเจ้าขอน้ออุทิศให้กับใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นซึ่งพยายามจองร้านจองหลานหารชีวิตข้าพเจ้ามาตลอดไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้เขาคนนั้นได้รับบุญได้รับกุศลจากบุญใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ด้วยเถิดขอท่านเตรษฐีอธิษฐานอย่างนี้นะชายหนุ่มคนนั้นไม่งฟังเขาคิดในใจฮ้ นั่นมันเรานี่ว่าเราทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเผาหนาก็ใช่ตัดอาวัวก็ใช่เผาครื่องหายก็ใช่เผาพระกันรักก็ ด, ดีทั้งหมดก็ผลงานของเราแต่ทำไมนั่นเศรษฐีไม่เพียงแต่ไม่กรดกลับกุทิ์ส่วนบุญส่วนกุศ ล, ลให้เราอีกโอ้ยคนใจบุญใจกุศลอย่างนี้เราจะฆ่าลงได้อย่างไงพอคิดมาถึงตรงนี้ท่านทั้งหลาย น้ำแห่งเมตตาปรารถนาดีที่ท่านเศรษฐีหลั่งลงในจิตในใจของจอมมหาวายรายคนนี้เป็นดังหนึ่งน้ำกรดที่ถูกหยดลงไปบนห่วงโซ่แห่งเวรกรรมที่เขาได้ผูกระหว่างตัวเขากับท่านเศรษฐีให้ขาดผึงลงไปจิตใจของเขาอ่อนโยนด้วยมุทิตาจิตยิ่งได้ยินเสียงสาธุการของคณะสงฆ์และหวงพุทธบริษัทญาโยมทั้งหลาย เขาเกิดตีติตปราโมทท่วมทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าในชีวิตเขาไม่เคยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากใครอย่างนี้จิตใจของเขานั้นแห้งผากมานานเหลือแสนนี่เขาได้รับบุญได้รับกุลครั้งใหญ่ได้ยินเต็มสองหูจากคนซึ่งเป็นศัตรูของเขาเองเศรษฐีคนนี้ประเสริฐเหลือเกินรักทุกคนรวมทั้งศัตรูของตนด้วยพอคิดมาถึงตรงนี้ เขาคนลุกขนพอมเกิดความเยินดีเปร่าปราโมอน้ำตานั้นหลั่งล้นออกมาท่วมไปทั่วทั้งสองตาไหลนองอาบสองแอง่นเปื้นเสื้อผ้าอาบนของเขามันไม่ใช่น้ำตาแห่งความแค้นอกทันทั้งหลายเป็นน้ำตาแห่งความปีติสุขซึ่งเกิดจากการได้แก่รับสมิสสะเอา ัลังแห่งความเมตตากรณุณาที่ท่านเศรษฐีได้ประทรมต่อเขานาทีนั้นเขาร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังออกมาทุกคนหันไปมองท่านเศรษฐีถามว่าทำไมร้องไห้ล่ะพ่อเขาลวงมีดออกมายื่นให้ท่านเศรษฐีรับมีดไปแต่ขอรับผมทำร้ายผู้มีพระคุณอย่างท่านไม่ลงแล้วเราไม่มีพระคุณต่อท่านตอนไหน ก็ผมนี่แหละครับท่านเศรษีจองล้างจองผ่านจองสังหารผ่านชีวิตทันมาตลอด<ศ>ผมทําถึงเพียงนี้ไม่เพียงแต่ท่านไม่โกรธท่านยังแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลก้อนใหญ่ให้ผมดิ<ส>ผมมันเลวผมมันบัตรซอกถ้าเอามีดนี้ไปแล้วทาลายชีวิตผมนะครับท่านเศรษีรับมีดไปแล้วเอามือทั้งสองนั้นค่อยๆปาดน้ําตาให้ครับแล้วก็บอกว่าพ่อมาหาเจริญเอย เราไม่เคยโกรธเธอเลยเราไม่เคยโกรธใครเลยเรารักเธอเรารักทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนปกติธรรมดาสามัญหรือไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นศัตรูของเราดังที่เธอเป็นเราก็รักพ่อเอ๋ยจบเวรจบ ก, กรรมกันียงนี้เถินะแต่ไหนแต่ไรมาในล่านี้เวรไม่เคยระงับหรือการจองเวรขอลก ระนับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นแหละเอาอย่างนี้พ่อจากนี้เป็นต้นไปนะเราไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกัน อ, นเอะเถอะป่ะทำบุญทำํำกุศลหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปอยู่บ้านกับฉันนะไปทํางานในบ้านนะลูกนะปะตามข้าพเจ้ามาพูดเสร็จสตีลุกกับกระเราะหัดได้คนงานคนใหม่ตามก้นไปต้อยต้อยต้อยต้อยนี่แหละมิตรยุติผลกรรมข้ามพบข้ามชาติ วิธียุติการจองหลังจองหานหานชีวิตข้ามพบข้ามชาติถ้าใครคนใดคนหนึ่งหยุดได้ก่อนสังสารวัฏแห่งการจองเวรจองกรรมจะยุติทันทีในทางกลักันท่าทั้งสองคนต่างก็ไม่ยอมลดราวาศไม่ยอมอโหสิไม่ยอมให้อภัยในที่สุดพบนั้นพบไหนพุกพราะแน่นอนคนคู่นั้นจะกลายเป็น คนคู่เวทจะพยายามปองร้ายหมายขวัญจะพยายามสังหารถลาญชีวิตเกิดพบไหนก็เกิดมาเพื่อรังควานกันท่านทั้งหลายท่านอยากมีคนเช่นนั้นทุกพบทุกชาติอยู่ใกล้ๆไหมถ้าไม่อยากมีจงหันกระบมบงบำเพ็ญเมตตาอาวนาแถิดเพราะเมตตาภาวนานั้นผู้ที่บำเพ็ญได้รับผลเป็นคนแรกแพนพลังแห่งเมตตาให้ใคร คนนั้นได้รับผลเป็นคนที่สองและหากเราไม่หยุดอยู่ตรงนั้นแผ่พลังแห่งเมตตาอนุภาพนี้กว้างไกลไกลาคสารครอบโลกทั้งโลกครอบจักรวาลทั้งจักรวาลจักรวาลทั้งผองก็จะได้รับมหาอานิสงส์กลายเป็นโลกแห่งความสุขจักรวาลแห่งความสุขดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอภยญปัจฉังสุขังโลกโเก ค, ความไม่อาฆาตยยาบาทจองเวรกันนั้น จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในโลกอย่างมีความสุขฉะนั้นถ้าเราหันกลับมาเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้จะทำให้เรารักทุกคนอยู่ร่วมกับทุกคนดังหนึ่งโลกทั้งผอมเป็นพี่น้องกันพระพุทธองค์ของเราเคยตรัสเอาไว้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่นมนุษยชาติที่เกิดมาในโลกนี้จะไม่เคยเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อน เราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เคยเป็นวงสาขนานายากันมาก่อนไม่เป็นพ่อก็เป็นแม่ไม่งั้นก็เป็นลูกเป็นสามีเป็นพันธยาเป็นนายเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนบ้านทอดตามองไปทางไหนเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่เคยเป็นประกูลวงศพงศากันมาก่อนทั้งหมดทั้งสิ้น และถ้าหากเรามีโลกธาตุอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทอดตามองไปทั่วสายคนจักรวาล น, นี้ท่านจะเห็นใครที่คู่ควรแต่ความโกรธเปลียดชิงชังไม่มีเลยทุกคนคือญาติของเราถ้าเราคิดอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้โลกทั้งแผงจะเป็นพี่น้องกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันนี้ก็คือสันติทัศนะ พัฒนาที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างมีความสุขครั้งหนึ่งในกาจูประมสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าหากใครก็ตามมาจาักเธอมัดตรึงสองมือสองเท้าแล้วเอาเลื่อยคมกริบหั่นเธอขาดออกเป็นสองท่อนตรงกลางเขาทำร้ายหมายขวัญเธอเขาสังหารลาญชีวิตของเธอถึงเพียงนี้ ถ้าเธอกลัวตอบนะเธอไม่ใช่สาวก ข, ของเราเธอต้องแผ่เมตตาให้เขาเขาที่ทำร้ายเธอนั่นแหละเธอต้องรักเขาสรุปเป็นคำง่ายๆให้เข้าใจกันสั้นๆว่าจงรักศัตรูเพราะเขาเป็นครูของเธอเป็นครูยังไงก็ศัตรูที่มาทำร้ายเรานั่นแหละเขามาฝึกความอดทนให้กับเรา เขามาฝึกเราว่าเราบำเพ็ญบรารมีมาพอหรื อ, อยังดีหรื อ, อยังเก่งหรื อ, อยังเจ๋งหรื อ, อยังพร้อมหรื อ, อยังคนที่บอกว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรดนี้ถ้าไม่มีใครมากระทบเราจะไม่รู้หรอกว่าเราเก่งจริงดีจริ ง, รงปฏิบัติได้สมบูรณ์แล้วหรื อ, อยังฉะนั้นพระพุทธองค์ส่งสอนให้เราเคารพศัตรูของเราเพราะศัตรูของเรามาฝึกเราให้ดีขึ้นนั่นเองพูดอีกอย่างหนึ่งว่า จงรักศัตรูเพราะเขาเป็นครูของเราครั้งหนึ่งองค์ดัลลาละมะท่านเคยให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกเขามาถามท่านว่าแต้เท้าขอรับตอนที่ใต้เท้านี้พลออกมาจากประเทศที่แบกนั้นมีศัตรูคอยอามล่าสังหารหลานชีวิตเจ้ากระผมขอถามใต้เท้าว่าถ้ากลางสถานการณ์ที่ เจียนอยู่เจียนไปเช่นนั้นใต้เท้ากลัวไหมองค์ดาลามะตอบว่ากลัวสิทําไมเราจะไม่กลัวนักข่าวก็ถามว่าท่านกลัวตายด้วยหรือขอรับพระองค์ก็ตอบว่าเปล่าเรากลัวว่าจะเผลอเกลียดศัตรูเขาสวรรค์นี่คือคําตอบของพระโพธิสัตว์ซึ่งในหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาพระองค์เป็นเมตตาวิหารีบุคคลคือบุคคลที่ดํารงชีวิตด้วยเมตตา แม้จะถูกจองหลางจองหลานหามชวิดเพียงไรก็ไม่โกรธเกลียดชิงชังใครเราท่านทั้งหลายลองทีนี้พิจรารณาเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งท่านก็จะเห็นว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันด้วยอาฆาตด้วยปยาบาดด้วยจองเวโลกนี้จะเป็นนรก ฉะนั้นการอาค่าพยาบาทจองเวจรจึงไม่ใช่วิถีทางของเราขอให้เราถือคติว่าพยาบาทมีแต่บันลัยอภัยมีแต่สันติฉะนั้นนอกจากเราจะไม่พยาบาทแล้วยังไม่พอเราต้องปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาและไมตรีลงไปในจิตในใจของเราทุกคืนทุกวันด้วยถ้าเราทําได้อย่างนี้เราทุกคนนี่แหละคือพีซแม็กเกอร์คือผู้สร้างสันติภาพ คือผู้สร้างสันติสุขเราจะกลายเป็นสันติบุคคลหรือสันตะบุคคลบุคคลผู้สร้างสันติภาพให้แก่โลกนี้ฉะนั้นสันติสุขก็ดีสันติภาพก็ดีเริ่มที่สันติวิธีในรวนใจของเราทุกคนอาตมาภาพนำธรรมะระถา น, นี้มากล่าวท่ามกลางแสงแดดในเดือนมีนายนซึ่งเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พร้อมๆกันนั้นก็อยู่ในวันเวลาที่สังคมไทยเต็นไปด้วยความโกรธเกลียดชิงชังก็หวังใจว่าธรรมกาถาบทนี้จะเป็นดังหนึ่งน้ำทิพ ช, ชั่ลมจิตชัลมใจของพี่น้องเราชาวไทยทุกคนให้สามารถเรียนรู้ที่จะหันกลับมาปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาลงไปในเดือนใจแล้วสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขตราบนานเท่านานในอายีะเดขออนุโมทนาศาสตร์ทุกการให้เราทุกคน จงยร่วมกันอย่างสันติทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธรรมมาบัรยายเรื่องจงรักศัตรูเพราะเขาคือครูของเธอโดย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 หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆตามสมควรแก่เวลานะคะ